ก็ามาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นชอบตอบปัญหามากนะนะโอ้ยนั่งตอบได้สามวันสาคืนเนี่ยเ ง, งินเถอะสนุกมากช่วงหลังมาก็ไม่ค่อยตอบเนี่ยนะใครถามเรเออถามสงสัยก็สงสัยไปสิเนี่ยนะเขาสงสัยในสิ่งที่เราก็ตอบยากเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถในการตอบปัญหาตรงนั้นแต่เขาไม่ได้พยายามจะเข้าใจตามเลยเนี่ยนะเขาไม่ได้พยายามที่จะเห็นตามแบบที่พระไตรปิฎกว่าเลยซึ่งคือคือเขาได้บทสรุปในใจแล้วเขาถามเพื่อเพื่อยืนยันเนี่ยนะ ถามเพื่อให้รับรองเขาถามบอกว่าเออคือคื อ, คอเขาอยากฟังคำตอบว่าดีเก่งฉลาดแหมคิดได้ยังไงเนี่ยนะความสามารถเหลือดีเหลือเกิน เ, เก่งมากซึ่งมันพูดอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยนะซึ่งมันไม่มีรับรองในคำสอนบางทีนี้ถ้าเราพูดเป็นอย่างอื่นปั๊บเขาก็พยายามอธิบายว่าไอ้ที่เขาคิดเนี่ยมันดียังไง มันเก่งยังไงมันฉลาดยังไงเนี่ยนะมันเกิดจากไอเดียที่ชํานาญเกิดจากความสามารถพิเศษอย่างไรซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันก็เลยยากเหมือนกันเนี่ยนะตกลงก็เลยเอาไงดีเอาไงดีก็เจริญวิชาพระเตมีใบบ้าคก็ดีเหมือนกันคํามาว่านะตอนหลังเขาบอกเออพระเตมีหน้าพระเตมีบาบท่านยังฝึกไอ้เงียบงี้บ้างเนี่ยนะดีที่สุดแหละนะคือบางทีเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยคำอธิบายบางอย่างเนี่ยมันใช้พัทหนังสือเป็นสี่ห้าเล่ม ความสงสัยบางอย่างมันใช้หนังสือสิบเล่มเนี่ยรนะองรับไอ้ความสงสัยอยู่ข้อเดียวนั่นแหละมันไม่มีใครอธิบายได้ง่ายๆสั้นๆหรอกแค่คําจำกัดความเช่นข่าว่ันิี้พานคืออะไรอย่างไงอธิบายยังไงก็อธิบายไม่เห็นเหมือนก็อธิบายก็เรียกว่าอะไรนะอธิบายวิวที่สวยงามให้คนเกิดมาตาบอดฟังเนี่ย น, นะไม่รู้จะขึ้นต้นเริ่มต้นตรงไหนเออเนี่ย คือมันต้องเริ่มอธิบายตั้งแต่แม่สีขึ้นมาก่อนสีหลักๆมันมีอยู่กี่สีแล้วแต่ละสีเนี่ยมันมีรูปร่างยังไงอะไรยังไงต่ออธิบายยังไงก็คือคนตาบอดนั่นแหละมันก็เข้าใจยากเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องหาข้อมูลรายละเอียดคือต้องฟังอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างในเรื่องของอริยศาสตร์ก็เหมือนกันถ้าหากว่าข้อมูลพระไตรปิดกในใจของเราเนี่ยมีน้อยธรรมสัญญาการทรงจําคําสอนของเราเนี่ยจำได้ไม่ค่อยมาก มันยากที่จไปวิเคราะห์อะไรได้ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ในคิดเอาเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าจินตามายาปัญญากับ น, นักคิดเนี่ยมันเหมือนกันจินตามายาปัญญาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของคนที่เขามีแนวโน้มที่จะเห็นอริยสัจแล้วเขาเขาใคร่ครวญเขาค้นคิดเพื่อจะเห็นอริยสัจเขาไม่ใช่เขาคิดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเป็นนักคิดคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่แต่เขาคิดเพื่อจะเข้าใจอริยสัจ คิดจนเห็นอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าจินตามียะปัญญาทีนี้จินตามียะปัญญาโดยทั่วไปนั้นอ่ะกล่าวตามเนติ ป, ปกรณ์นั้น่ะเป็นความคิดที่มีข้อมูลอย่างพร้อมบริบูรณ์ เนี่ยนะเป็นคนที่คิดแบบคนมีข้อมูลอยู่ในมือหมดแล้วเนี่ยนะคือคิดอะไรก็นึกออกหมดเลยเนี่ยนะแล้วเชื่อมโยงข้อมูลพิจารณาใครครวนเนี่ยนะเรียกว่าปิดกสามมันอยู่ในใจหมดแล้วเนี่ยนะจะดึงข้อความตรงไหนมาจะมาบวกผสมสูตรสูตรผสมไปแล้วมันผิดหรือมันถูกเขามองเข้าใจอย่างโปร่งหมดอะ่ะคือเขาใช้เวลาใครครวนค้นคิดในสิ่งเหล่านี้ได้มากมายอะ่ะถ้าอย่างนั้นมันไม่มีปัญหาเพราะเขามีข้อมูลพอแต่ข้อมูลไม่พอและคิดไปเรื่อยเนี่ยนะอันนี้ลําบากละ ทีนี้ไอ้คิดไปเรื่อยถ้ายังไม่ยืนยันก็ยังไม่ใช่ปัญหาก็ยังพอจะแก้ไขได้แต่ถ้าคิดไปเรื่อยเปื่อยแล้วยืนยันปั๊บเนี่ยนะเหมือนกับพระสาติตภิกษุพอคิดคิดไปคิดมาแล้วก็ยืนยนันเออใช่วิญญาณเนี่ยเที่ยงวิญญาณ น, นี่แหละเป็นผู้ทํากรรมเป็นผู้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นวิญญาณไอ้อย่างอื่นไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละวิญญาณเนี่ยเที่ยงอีกคนหนึ่งคิดไปคิดมาเออวินัยไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครจะไปทําผิดทําชั่วยังไงไม่มีโทษ บางคนเนี่ยเรียนเข้ามาฟังเรื่องธาตุสี่เพราะฉะนั้นธาตุชั้นแรกธาดไม่เป็นการปาณาติบาตเนี่ยนะก็มีแต่ธาตุสีเพราะฉะนั้นมีดอาวุธลูกปืนมันก็คือธาตุชนิดหนึ่งก็แทรกเข้าไปในธาตุดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นใครจะเป็นใครจะตายมันก็ธาตุชั้นแรกธาดไม่บาปเนี่ยนะอันนั้นก็เกินไปอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกพวกอย่างนี้เนี่ยถ้าข้อมูลไม่พอยิ่งคิดมากยิ่ง เดือดร้อนยิ่งลำบากใจเพราะฉะนั้นข้อแนะนำที่ดีที่สุดในในยุคปัจจุบันนี้ก็คือพยายามหาข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเนี่ยนะเอาไว้ในใจแล้วก็กลั่นกรองข้อมูลก่อนอันไหนเป็นข้อมูลที่มาตรฐานอะไรเป็นข้อมูลที่ไม่มาตรฐานเบื้องต้นเนี่ยศึกษาพระธรรมเนี่ยคัดข้อมูลก่อน อันนระียกว่าติดตั้งเครื่องคัดปัญญาก่อนมั้งั้นแต่ติดตั้งเครื่องคัดเนี่ยนะสมมติถ้าเราเนี่ยไปเอาเหรียญเนี่ยเหรียญปลอมเหรียญจริงเหรียญแท้เป็นต้นเนี่ยมาเยอะแยะเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องซื้อขายเลยนะคุณมาคัดก่อนว่าไอเหรียญแท้ในใจมันอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะสิ่งที่เป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่มาตรฐานจริงๆแล้วอยู่ในความคิดของเรานี่มีเท่าไหร่อยู่ในมือเราเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นนี้ก็กลับบ้านแล้วก็คัดหนังสือว่าไอหนังสือที่มาตรฐานทั้งหมดในตู้ของเราเนี่ยมันอยู่ม หนังสือเล่มไหนที่มันจําแล้วดีหนังสือเล่มไหนจําแล้วผิดพลาดหนังสือเล่มไหนเป็นความเห็นที่มาตรฐานความหนังสือเล่มไหนเป็นความเห็นส่วนบุคคลเนี่ยนะความความรู้อันไหนที่มาตรฐานไม่มาตรฐานก็ต้องกลัน่นกรองคัดสรรก่อนเนี่ยนะแต่ถ้าเอาดีกับชั่วมาถามแล้วก็โอ้ยกระวบปนเปกันไปหมดถ้ายิ่งปนเปกันเท่าไหร่ก็ยิ่งเพลียหัวใจเลยเหมือนกันไอ้เรื่องยากก็ยากอยู่แล้วเนี่ยแวะข้างทางบ่อยๆมันก็ไม่ต้องไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็ผู้ที่อยู่ด้วยความสงสัยทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็บอกไม่ยากเนี่ยนะคัดสรรสิ่งที่มีประโยชน์อันไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็ก็เอาออกไปเนี่ยนะทีนี้บางคนเนี่ยน้อมน้อมใจที่จะเชื่อบุคคลแล้วก็อะการที่เอาคำของบุคคลที่หนึ่งไปถามบุคคลที่สอง อันนี้คือคำพูดที่ถ้านานๆเข้ามันจะกลายเป็นสอเสียดทันทีเนี่ยนะก็จะสร้างความแตกแยกแทนที่จะกลายมีมิตรภาพมากยิ่งขึ้นกลายเป็นทะเลาะเบาแหวกกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการสอบถามเนี่ยในเพื่อกำจัดความสงสัยเนี่ยบางทีอาจจะสงสัยเพิ่มยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นบุคคลอื่นไม่ไม่ทราบนะแต่ถ้าโดยของมาส่วนตัวแล้วเนี่ยพอบวชมาสักสีปีหลังเนี่ย อ่าสี่ห้าปีแรกที่บวชเข้ามาเนี่ยมันสงสัยมันเต็มไปด้วยความสงสัยไปหมดมันสงสัยเกือบทุกเรื่องเนีย่ยนะเพราะเพราะว่าอ่านหนังสือมาค่อนข้างพอสมควรเนี่ยนะอ่านพออ่านหลายๆเล่มเข้าอ่านมันเกือบทุกค่ายนั่นแหละเขาว่าไงเราก็อ่านหมดพราะอ่านไปอ่านมาแล้วข้อมูลมันตีกันเองเพราะข้อมูลมันตีกันเองทําไงดีกันดิมันก็เครียดสิมันก็หนักใจหนักอกหนักใจคนนี้ก็ว่าอย่างคนนั้นก็ว่าอย่าง อันนะเรื่องเดียวกันเนี่ยคนที่หนึ่งว่าอย่างนี้คนที่สองว่าอย่างนี้คนที่สามว่าอย่างนี้คนที่สี่ว่าอย่างนี้แล้วเราเชื่อทุกคนเลยที่ว่าเนี่ยเออคนคนนั้นก็เขาไม่ดีจริงเขาไม่เป็นอาจารย์ใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่เขาไม่ดีจริงเขาไม่มีลูกศิษย์มากขนาดนั้นหรอกแต่เขาไม่มีดีจริงเขาไม่มีชื่อเสียงขนาดนั้นเราโอ้ยยอมรับเขาหมดเพราะเราก็อะไรนะถือเรื่องชื่อเสียงเรื่องรูปเรื่องอะไรเป็นประมาณแต่ทีนี้ที่เราได้ก็คือความฟุ้งซ่านว้ความสงสัยเอ๊ะทําไงดี แต่ก็ยังเชื่อว่าคําสอนในพระไตรปิฎกนี่เป็นคําสอนที่มาตรฐานก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้แล้วกันใครว่าไงก็ว่าเธออาจารย์จะดีจะเก่งจะใหญ่ขนาดไหนก็ท่านก็ว่าของท่านไปแล้วกันขอว่าพระไตรปิฎกว่าว่าอย่างไรในเรื่องนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพยายชนะเหล่าใดที่เราสงสัยเช่นสงสัยคำว่าสติคําว่าสติในพระไตรปิฎกอธิบายไว้อย่างไร ไอ้คนอื่นอธิบายก็อธิบายไปเถอะเราฟังมาเยอะแล้วแต่เราอยากกะฟังว่าคําอธิบายคําว่าสติในพระไตรปิฎกมันเป็นอย่างไรคนอื่นเขาอธิบายเรื่องปัญญาไว้เยอะปัญญารู้อย่างนั้นปัญญารู้อย่างนี้เออก็ว่าของเขาไปแต่เราอยากกะฟังจริงๆว่าคําว่าปัญญาในพระไตรปิฎกเนี่ยรู้อะไรไม่มีปัญญาในพระไตรปิฎกรู้อะไรก็คัดสรรเอาข้อมูลเฉพาะที่มีในในพระไตรปิฎกอัตถกถาแล้วก็ดีกาคาอธิบายในอตัตถกถาว่าไว้อย่างไรเนี่ยนะก็กําหนดจดจําแค่นี้พอ ตอนนี้เราก็ได้เชื่อใหม่บอกเออนี่ปริยัดมากบอกโอ้สาธุมีสาระสักทีหนึ่งนะเมื่อก่อนเชื่อคนนั้นเรื่อยเปื่อยไปหมดเลยตอนนี้มีสาระดีและวว่า ง, งั้นมียังไงเอา้าสวาขาโตพระวะตาทมโมพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะมันทำมังนัมัสสามิหรือทำมังสารนังฆาชามิแปลว่าเข้าทางแล้วเนี่ย ก็เลยเอาใหญ่เลยก็เลยก็อ่านมากขึ้นอยู่กับคําสอนให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามว่าทํำยังไงรดเราจะติดตามให้ใจไหลไปกับคําสอนให้มากที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราบอกว่าคิดเอาเองเอาเองเอาเองเอ่ะเองเนี่ยเองไหนล่ะวังเั้นเถอะนะเชื่อใจตัวเองเนี่ยใจไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ใจของเราเนี่ยไหลไปกับ คำสอนว่าคำสอนท่านบอกอะไรเราเนี่ยนะทำยังไงเนาะใจของเราจะสัมผัสกับคำสอนได้บ่อยที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าภาษาเนี่ยนะภาษะที่รับกระทบกับคำสอนบ่อยๆ อ, อันนั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าปรโตโขโะทํายังไงให้ใจของเราสัมผัสกับคำสอนให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นภาษะนั้นเป็นปัจจัยจึงเป็นกุศลภาษะเป็นปัจจัยที่ เป็นกุศลก็มีภาษะเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็มีภัษะเป็นปัจจัยแก่อภยากตะก็มีทีนี้ทำยังไงจะให้ใจของเราเนี่ยได้สัมผัสกับคำสอนให้อยู่กับคำสอนค้นเรียกว่าครุ่นคิดอยู่กับคำสอนคำสอนยังไงมีรถเดียวถ้าคิดเรื่องคำสอนมากๆไม่ต้องกลัวว่าไม่พ้นทุกข์เพราะว่าในอัถกาถาสัมโมหะ วิโนเท น, เนีอัตกถาวิพังก็บอกว่าผู้ที่ทรงปริยัติที่ไม่พ้นทุกข์ไม่มีรอเพราะฉะนั้นขอให้ใจของเราอยู่กับคําสอนเถอะถ้าใจของเราอยู่กับคําสอนคําสอนของพระพุทธเจ้ามีรสเดียวคือวิมุติรสเหมือนน้าทะเลมีรสเดียวคือรสเข็มนั้นถ้าเราสายใจในคําสอนเนี่ยให้ใจได้สัมผัสกับคําสอนบ่อยๆอย่างไรก็ถึงความพ้นทุกข์แต่ทีนี้ที่สําคัญเบื้องต้นก็คือคําสอนเนี่ย คำสอนมาตรฐานขนาดไหนเรียกว่าคาดความมาตรฐานให้ชัดเจนว่าความมาตรฐานอันไหนเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอันไหนเป็นทัศนคติของบุคคลเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าแยกอย่างนั้นไม่ได้มงคลสาสิแปดไม่รู้มันจะเริ่มต้นตรงไหนเหมือนกันเนี่ยนะถ้าคัดผ่านคัดบัณฑิตไม่ได้เนี่ยนะก็แปลว่าอะไรคราว่าคัดสมมติว่าเามีคาถามว่า ปัญหาว่ามันแยกคนดีแยกคนชั่วไม่เป็นก็แปลว่าวิจารณญาณวิบัติเนี่ยนะถ้าวิจารณญาณวิบัติมันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะนะก็ต้องไปค่อยๆว่าเออวิจารณญาณสมบัติเนี่ยจะเจริญขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยนะนะทำยังไงความรู้ความเห็นความเข้าใจจึงจะถูกต้องเนี่ยนะนะอย่าลืมว่าชีวิตของศาตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนเพราะฉะนั้นความสงสัยเนี่ยน ะ, ะบางทีแปลว่า ฉันทะปรารถนาที่จะรู้ก็ได้นั่นเพราะฉะนั้นความสงสัยมันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาก็ได้ะนะจะเรียกว่าปริปุจชาการสอบถามเพื่อความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นเหตุให้เกิดอาหารแห่งปัญญาก็ได้เป็นเหตุให้เกิดแห่งอาหารของวิจิกิจชายิ่งยิ่งขึ้นต่อไปก็ได้ที่สําคัญก็คือว่า พยายามเก็บข้อมูลที่มาตรฐานเอาไว้ให้มากที่สุดเนี่ยนะอันข้อมูลที่มาตรฐานอยู่ในใจของเราได้เท่าใดนั่นแหละจะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความไม่ผิดเลยเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าคำถามถามเพื่อตัดความสงสัยเนี่ยนะโดยเฉพาะการเทียบเคียงยุคปัจจุบันเนี่ยเทียบเคียงไปเทียบเคียงมาเจริญก็ขึ้นก็มีเทียบเคียงไปเทียบเคียงมายิ่งเสื่อมหนักเก่าก็มีเนี่ยนะถามบางทีถามผิดคนก็มีเนี่ยนะ เก่ไปเทียบเคียงผิดคนอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยว่าถ้าเรามองว่าความคิดของเราเป็นทรัพย์เนี่ยนะก็เหมือนกับเรามีเงินแล้วเราใช้เงินไปปรึกษาคนเรื่อยเปื่อยเลยเนี่ยจะซื้ออะไรดีเนี่ยนะเนี่ยมีสตังค์พกสตังค์ไปกลางถนนแล้วก็ไปถามเออนี่ฉันจะซื้ออะไรดีอย่างเงี้ยนะ อันนี้ถามว่าสมควรไหมในเรื่องความสงสัยของเราทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันถ้าเรามองว่าความคิดของเราเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ปัญญาของเราเนี่ยเป็นทรัพย์เป็นต้นเพราะฉะนั้นทํายังไงที่จะเสริมให้ให้ปัญญาเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยนะเพราะว่าปัญญาเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานปัญญาอ น, นั้นเรียกว่า ธรรมวิจยะสัมโพธิชงเรียกว่าวิมังสาธิปติเรียกว่าปัญญีสีปัญญาภละเรียกว่าสัมมาทิฐิที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นความเข้าใจของเรานี้พยายามรักษาความมาตรฐานให้ใหดีที่สุดเอาไว้เนี่ยนะะคำว่ามาตรฐานมาตรฐานตามอะไรใครเป็นคนให้คะแนน พุทธังสารนังฆะฉามิพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็อย่างนั้นแหละเนี่ยนะอย่าไปเอาคนทั่วๆไปเลยอย่าเอาคนที่ที่โกรธมาเป็นอะไรนะเป็นผู้ให้คะแนนเลยเขาจะตอบด้วยอำนาจความโกรธของเขาถ้าเอาคนที่กําลังโลภเป็นมาตรฐานเขาก็ตอบด้วยอำนาจความโลภของเขาเอาคาเอาคนโง่เขลามาตอบมันก็ตอบตามความโง่เขลาเอาพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะเป็นเรียกว่าเป็นตาช่างของโลกเลยว่างั้นนะ ค่าที่มาตรฐานที่สุดนี่อยู่ที่พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตอนนี้เราก็ดูจากคําสอนเพราะคาําเหล่าใดที่ควรบอกแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยพระองค์ก็บอกแสดงสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วมันทํำยังไงให้ใจของเราเนี่ยเที่ยวไปกับคําสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยนะเขามาวิธีการก็มีอย่างหนึ่งอ่านสองเอามาอ่านให้คนอื่นฟังเราก็มีเวลาอยู่กับคําสอนมากขึ้นง่ายนิดเดียวเนี่ยนะนี่ต่อไปการถามเพื่อซ้อมความเข้าใจอย่างที่สีนะ การการถือเอาการยอมรับรู้แล้วถามในเวลาแสดงธรรมเาเรียกว่าถามเพื่อเพื่อการอนุมัติเนี่ยนะเป็นการเขาก็ถามให้เห็นด้วยอะ่ะถามเพื่ออนุมัติกับถามเพื่อการปฏิเสธนคนละอย่างใช่คือถามแนวโน้มว่ายังไงเขาก็ต้องตอบอย่างตามทางของเราที่วางเอาไว้เรียกว่าถามเพื่ออนุมัติเนี่ยนะกับการถามเพื่อการปฏิเสธเนี่ยนะ ที่จริงเราไม่อยากอะไรนะไม่ไม่ต้องการบางอย่างแล้วเราก็แกล้งถามคนอื่นบอกคนนั้นก็ไม่เอาที่ไหนได้เราก็ไม่อยากเอาอยู่แล้วอันนั้นเป็นการถามเพื่อการปฏิเสธแต่ตรงนี้เป็นการถามถามเพื่อการอนุมัติถามเพื่อว่ า, าสิ่งที่เราคิดกับเขาคิดเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยนะเช่นเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงจริงๆเราใจของเรายังไงใจมันก็บอกว่าไม่เที่ยงอยู่แล้วล่ะแต่ก็ถามให้คนอื่นช่วยกันอนุมัติหน่อยนะว่ารูปมันไม่เที่ยงหรือไงเน่ย จริงๆแล้วต้องการให้คนอนุมัตินั่นแหละได้ดีนะอย่างพระพุทธเจ้าถามพิสูจทั้งหลายไม่ใช่พระองค์ได้ดีขึ้นนะแต่พระภิสูจ์ทั้งหลายที่ตอบคําถามมีความเห็นสอดคล้องกับพระองค์นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พระพิสูุนทั้งหลายเหล่านั้นเพราะพระองค์ถามว่ารูปไม่เที่ยงเอ่อรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าภิกษุทั้งหลายตอบว่าไม่เที่ยงด้วยความเข้าใจเนี่ยนะแล้วก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงด้วย จิตที่ใส่ใจว่าไม่เที่ยงปัญญาที่เข้าใจว่าไม่เที่ยงก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในรูปเหล่านั้นถามว่าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็บอกว่าไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาซึ่งเห็นด้วยค่ะพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่เที่ยงจิตก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในเวทนาถามว่าสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็บอกไม่เที่ยงจิตก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสังขารทั้งหลาย นนะในวิญญาณทั้งหลายก็เพราะว่าความเห็นว่าไม่เที่ยงนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายในวัตตะความเบื่อหน่ายนั่นแหละนิพพิทานุปัสสนาที่เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อวิราคะคืออาริยมรรคทั้งหลายเนี่ยนะ